ชน ก, กะชาดกว่าด้วยพระมหาชนกทรงบำเพ็ญวิริยบารมีเทพธิดากล่าวว่าใครกันนี่ทั้งๆ ท, ที่มองไม่เห็นฝั่งก็ยังเพียรพยายามว่าอยู่ในถ้ำกลางสมุทรท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามเต็มที่อยู่อย่างนี้พระโพธิสัตว์ตอบว่าเทพธิดาเราพิเคราะห์เห็นธรรมเนียมของโลกและอนิสงส์ของความพยายาม เพราะฉะนั้นทั้งทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งเราจึงเพียรพยายามว่าอยู่ในถ้ำกลางสมุดเทพทิดากล่าวว่าฟังสมุดอันลึกประมาณไม่ได้ยังไม่ปรากฏความพยายามอย่างลูกผู้ชายของท่านย่อมเปล่าประโยชน์ยังไม่ทันจะถึงฝั่งเลยท่านก็จกตายแน่พระโพธิสัตว์ตอบว่าบุคคลผู้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายอยู่จะไม่ถูกหมู่ญาติเทวดาและพรหมทั้งหลายนินทา ทั้งจะไม่เดือดร้อนในภายหลังเทพธิดากล่าวว่าการงานที่ให้ถึงฝั่งไม่ได้ปราศจากผลก่อให้เกิดความลำบากและความตายย่อมมีได้เพราะทำการงานใดประโยชน์อะไรด้วยความพยายามในการงานนั้นพระโพธิสัตว์ตอบว่าเทพธิดาบุคคลใดรู้ว่างานสุดวิสัยเกินตัวแล้วไม่รักษาชีวิตของตน ถ้าผู้นั้นคลายความเพียรเสียก็จะพึงรู้ผลของงานนั้นเทพธิดาคนบางพวกในโลกนี้พิจารณาเห็นผลแห่งความมุ่งประสงค์ของตนจึงประกอบการงานทั้งหลายการงานเหล่านั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามทีเทพธิดาท่านกำลังเห็นผลงานที่ประจักษ์แก่ตนเองแล้วมิใช่หรือคนอื่นๆพากันจมน้าแล้วเราคนเดียวเท่านั้นพยายามข้ามอยู่ และยังเห็นท่านอยู่ใกล้เราเรานั้นจกพยายามตามกำลังความสามารถจากไปให้ถึงฝั่งสมุทรจากทำความเพียรอย่างลูกผู้ชายต่อมาพระโพธิสัตว์ได้ครองราชสมบัติในเมืองมิถิลาแล้วทรงระลึกถึงผลแห่งความเพียรชอบของพระองค์ทรงเปล่งอุทานด้วยกำลังปิติว่าท่านใดถึงพร้อมด้วยความพยายามโดยธรรม ไม่จมลงในห่วงมหนันโนบที่หาประมาณไม่ได้เห็นปานนี้ด้วยการกระทำท่านนั้นจงไปในสถานที่ที่ท่านชอบใจเถิดคุ้มรับใหญ่16บคุ้มนี้คือ 1. คุ้มรั์ที่อยู่ทางดวงอาทิตย์ขึ้น 2. คุ้มรัพย์ที่อยู่ทางดวงอา ท, ทิตย์กตก 3. มคุ้มรั์ที่อยู่ภายใน 4. คุ้มรั์ที่อยู่ภายนอก หคุ้มซับที่ไม่ใช่อยู่ภายในภายนอก 6. กคุ้มซับที่ทางขึ้น 7. คุ้มซับที่ทางลง 8- ปดถึงสิคุ้มซับที่ไม้สาระทั้ง4 12. คุ้มซับที่ยอดหนึ่งโดยรอบ13บสมคุ้มซับที่ปลายงาทั้งสองสิบสี่คุ้มซับที่ปลายหาง15คุ้มซับที่สระน้ํา16 คุม้มซับที่ยอดไม้ธนูหนักหนึ่งพันแรงคนบัรลังสี่เหลี่ยมผู้ทำเจ้าหญิงสีวลีให้ยินดีบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงหวังร่างไปไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนเองได้เป็นพระราชาตามที่ตนปรารถนาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงวังร่าไปไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนเองถูกอุ้มจากน้ำขึ้นบกแล้ว บุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามร่ำไปไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนเองได้เป็นพระราชาตามที่ตนปรารถนาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามร่ำไปไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนเองถูกอุ้มจากน้าขึ้นบกแล้วคนมีปัญญาแม้ถูกทุกข์กระทบแล้วก็ไม่พึงทำลายความหวังเพื่อการมาถึงแห่งความสุขเพราะสัมผัสมีมากอย่างทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ผู้ไม่นึกถึงประโยชน์ย่อมเข้าถึงความตายสิ่งที่ไม่ได้คิดกลับเป็นไปได้สิ่งที่คิดแล้วกลับพินาศไปทรัพสมบัติทั้งหลายของหญิงหรือชายหาได้สำเร็จด้วยความคิดไม่ชาวเมืองกล่าวกันว่าท่านผู้เจริญพระราชาผู้ครอบครองพื้นที่ทั้งปวงเป็นใหญ่ในทิศไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนนอวันนี้ไม่ทอดพระเนตรการฟ้อนรำไม่สงสัยพระไทยในการขับร้อง ไม่ทอดพระเนตรฝูงเนื้อไม่เสด็จประาพาพระราชอุทยานไม่ทอดพระเนตรฝูงหง์พระองค์ทรงประทับนิ่งเฉยเหมือนคนใบ้ไม่ทรงว่าราชการเลยพระโพธิสัตว์ทรงระลึกถึงพระปัจเจกับพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานว่านักปราชญ์ทั้งหลายผู้ใคร่ความสุขมีปกติหลีกเร้นปราศจากเครื่องผูกคือกิเลส ท, ทั้งหนุ่มทั้งแก่ก้าวล่วงตันหาเสด็ ย่อมอยู่ณนาอารามของใครน้อในวันนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนักปราดเหล่านั้นผู้สแสวงหาคุณใหญ่นักปราดเหล่าใดเป็นผู้ไม่ขนขวายอยู่ในโลกที่ถึงความขนขวายนักปราดเหล่านั้นตัดขายคือตันหาอันมั่นคงแห่งมรตยูที่มีมายาอย่างยิ่งทำลายด้วยยานไปอยู่ใครเล่าจะพึงนำเราไปให้ถึงสถานที่อยู่ของนักปราดเหล่านี้ได้ เมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาอันรุ่งเรืองที่นายช่างผู้ฉลาดได้จัดจำแนกไว้สร้างไว้เป็นสัดส่วนออกโบสถ์ได้การละนครเห็นปานนี้ออกโบสถ์นั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรนอเมื่อไรเราจักละกรุงมิถิลาอันรุ่งเรืองกว้างขวางสว่างสวัยทั่วทุกทิศออกโบสถ์ได้การละนครเห็นปานนี้ออกโบสถ์นั้นจกสาเร็จได้เมื่อไรนอ เมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาอันร mm ุ่งเรืองซึ anyway}> ่งมีปราการและเสาค่ Slide Slide ายเป็นอันมากออกโบวถได้การละนครเห็นปานนี cool ้ออกโบวถนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาอันรุ่งเรืองมีป้อมคูและซุ้มประตูมั่นคงออกโบวถได้การละนครเห็นปานนี้ออกโบวถนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาอันรุ่งเรืองมีถนนหลวงตัดไวอย่างดีออกโบสถได้การละนครเห็นปานนี้ออกโบวถนั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรนอเมื่ อ, อไรเราจะละกรุงมิถิลาอันรุ่งเรืองมีร้านตลาดที่จัดแยกไว้สวยงามออกโบวถได้การละนครเห็นปานนี้ออกโบวถนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรนอเมื่ อ, อไรเราจะละกรุงมิถิลาอันรุ่งเรือง ซึ่งมีโคม้าและรถเบียเสียดกันออกโบทได้การละนครเห็นปานนี้ออกโบทนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรนอเมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาอันรุ่งเรืองมีสวนสาธารณะมีระเบียบเรียบร้อยออกโบทได้การละนครเห็นปานนี้ออกโบทนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรนอเมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาอันรุ่งเรือง ที่มีวันอุทยานมีระเบียบเรียบร้อยออกโบวถได้การละนครเห็นปานนี้ออกโบวถนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกรุมมิถิลาอันรุ่งเรืองมีปราสาทราชมนทีสถานที่และอุทยานเป็นระเบียบเรียบร้อยออกโบวถได้การละนครเห็นปานนี้ออกโบวถนั้นจะสาเร็จได้เมื่อไรนอเมื่อไรเราจะละกรุมมิถิลาอันรุ่งเรือง มีประการสามชั้นขับข้างด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระเจ้าวิเทหะผู้เรืองยศพระนามว่าโสมนัสได้ทรงสร้างไว้ออกบวชได้การละนะครเห็นปานนี้ออกบทนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละแคว้นวิเทหะอันรุ่งเรืองพรั่งพร้อมด้วยการสะสมสเสบียงเช่นสะสมทรัพย์และทัญญาหารเป็นต้น ที่พระเจ้าวิเทหะทรงปกครองโดยชอบธรรมออกบวชได้การละแคว้นเห็นปานนี้ออกบวชนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละแคว้นวิเทหะอันรุ่งเรืองที่พวกปรปักษ์ผจญไม่ได้ซึ่งพระเจ้าวิเทหะทรงปกครองโดยธรรมออกบวชได้การละแควนเห็นปานนี้ออกบวชนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจักละพระตำหนักอันเป็นสถานที่น่า hmm รื <im <im um ่นรมที่นายจ้างผู้ฉลาดได้จัดจําแนกไว้สร้างไว้เป็นสัดส่วนออกโบสได้การละพระตำหนักเห็นปานนี้ออกโบสนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักละพระตำหนักอันเป็นสถานที่น่ารื่นรมที่โบกฉาบด้วยปูนขาวและดินเหนียวออกโบสได้การละพระตาหนักเห็นปานนี้ออกโบสนั้น จากสำเร็จได้เมื่อไรนอเมื่อไรเราจะละพระตำหนัก เ, นเป็นสถานที่น่ารื่นรมมีกลิ่นหอมสดชื่นรื่นรมใจออกโบยได้การละพระตำหนักเห็นปานนี้ออกโบยนั้นจากสำเร็จได้เมื่อไรนอเมื่อไรเราจะละพระตำหนักเรือนยอดที่นายช่างผู้ชาญฉลาดจัดจำแนกสร้างไว้เป็นส่วนสัตว์ออกโบยได้การละพระตำหนักเห็นปานนี้ออกโบยนั้น จะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักละพระตำหนักเรือนยอดที่โบกฉาบด้วยปูนขาวและดินเหนียวออกโบสถได้การละพระตำหนักเห็นปานนี้ออกโบสถนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักละพระตำหนักเรือนยอดที่มีกลิ่นหอมสดชื่นรุ่นรมใจออกโบวถได้การละพระตำหนักเห็นปานนี้ออกโบวถนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจะละพระธรรมหนักเรือนยอดที่นายช่างผู้ฌาญฉลาฉาบทาและประพรมด้วยจุนแก่นจันท์ออกบทได้การละพระธรรมหนักเห็นปานนี้ออกบทนั้นจกสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไหรเราจึงจะละบัลลังก์ทองที่ลาดด้วยพรมขนสัตว์อันวิจิตออกบทได้การละบัลลังก์ทองเห็นปานนี้ออกบทนั้นจกสําเร็จได้เมื่อไรหนอ มเมื่อไรเราจักละบันลังแก้วมณีที่ล่าด้วยพรมขนสัตว์อันวิจิตออกบทได้การละบันลังแก้วมณีเห็นปานนี้ออกบทนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักละผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าปานและผ้าขนสัตว์อย่างละเอียดออกบทได้การละผ้าเห็นปานนี้ออกบทนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรนอเมื่อไรเราจักละสระโบกขรนีอันน่ารื่นรม มีนกจักระภาคส่งเสียงร่ำร้องอยู่ดาระดาไปด้วยดอกมณฑาลกดอกปทุมและดอกอุบลออกบวชได้การละะโบคครณีเห็นปา น, นี้ออกบวชนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักละกองช้างพลายที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสั์มีสายรัดทองคำมีเครื่องปกกระพองและขายทองคำ มีนายควานช้างถือโตมอนและขอขึ้นขี่ประจำออกโบวดได้การละกองช้างเห็นปานนี้ออกโบวดนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรนอเมื่อไรกองมาสินทพชาติอาชาในที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์เป็นพาณะเร็วมีนายสารถีถือแท้และธนูขึ้นขี่ประจำออกโบวดได้การละกองมาเห็นปานนี้ออกโบสนั้นจกสาเร็จได้เมื่อไรนอ เมื่อไรเราจักละกองรถที่ติดเครื่องรบชักธงชัยเฉลิมพลประจำคุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์มีนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจาออกบวดได้การละกองรถเห็นปานนี้ออกบวชนั้นจกสาเร็จได้เมื่อไรนอเมื่อไรเราจักละรถทองคําที่ติดเครื่องรบชักธงชัยเฉลิมพลประจา คุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมจับมีนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำออกบวชได้การละรถทองคาเห็นปานนี้ออกบวชนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละรถเงินที่ติดเครื่องรบชักธงชัยเฉลิมพลประจำคุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมจับ มีนายสารทีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำออกโบวถได้การละรถเงินเห็นปานนี้ออกโบสถนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรนอเมื่อไรเราจะละรถม้าที่ติดเครื่องรบชักธงชัยเฉลิมพลประจำหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพมีนายสารธีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำออกโบวถได้ การละรถม้าเห็นปานนี้ออกโบยนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจากละรถเทียมได้อู่ที่ติดเครื่องรบชักธงชัยเฉลิมพลประจำคุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสับมีนายสารธีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำออกโบชได้การละรถเทียมได้อู่เห็นปานนี้ออกบวชนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจะละรถเทียมด้วยโคที่ติดเครื่องรบชักธงชัยเฉลิมพลประจำคุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศพมีนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำออกบวดได้การละรถเทียมด้วยโคเห็นปานนี้ออกบวดนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละรถเทียมด้วยแพที่ติดเครื่องรบชักธงชัยเฉลิมพลประจำ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 มีนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำออกโบสได้การละรถเทียมด้วยแกะเห็นปานนี้ออกโบวถนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรนอเมื่อไรเราจากละรถเทียมด้วยเนื้อที่ติดเครื่องรบชักธงชัยเฉลิมพลประจำหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสัพ์มีนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำออกโบวถได้ การละรถเทียมด้วยเนื้อเห็นปานี้ออกบทนั้นจกสาเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกองช้างที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสัพ์สวมเกราะสีเขียวแกล้วกล้าถือโตมอนและขอออกบทได้การละกองช้างเห็นปานี้ออกบทนั้นจกสาเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกองมาที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสั์สวมเกราะสีเขียวแกล้า สะพายธนูและแล่งออกบวชได้การละกองมาเห็นปานนี้ออกบวชนั้นจกสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงละกองรถที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์สวมเกราะสีเขียว Escape? แกล้าสะพายธนูและแล่งออกบวชได้การละกองรถเห็นปานนี้ออกบวชนั้นจกสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกองธนูที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์ สวมเกราะสีเขียวแกล่วกล้าถือธนูและแร่งออกบทได้การละกองธนูเห็นปานนี้ออกบทนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรนอเมื่อไรเราจะละพวกราชบุรุษผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพทสวมเกราะอันวิจิตแกล่วกล้าเนบกิต ท, ทองคำออกบทได้การละพวกราชบุรุษเห็นปานนี้ออกบทนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรนอ เมื่อไรเราจะละหมู่พราหม์ผู้บำเพ็ญพรตประดับตกแต่งแล้วทาตัวด้วยกระเจาะจันเหลืองครองผ้ากาศิกะพัฒเนื้อดีออกโบสถได้การละหมู่พราหม์เห็นปานนี้ออกโบสถนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละหมู่อมรรภ์ผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์สวมเกราะสีเหลืองแกล้วกล้าเดินไปข้างหน้ามีระเบียบเรียบร้อยดีออกโบสได้ การละหมูอมาเห็นปานนี้ออกบวชนั้นจกสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละพระสนมกํานันในเจร้อยนางผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์ออกบวชได้การละพระสนมกํานันในเห็นปานนี้ออกบวชนั้นจกสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละพระสนมกํานันในเจร้อยนางผู้ละมุละไมสโสดสองออกบวชได้ การละพระสนมกำนันในเห็นปานนี้ออกบทนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละพระสนมกำนันในเจ0ร้อยนางผู้เชื่อฟังพูดไพเราะออกบทได้การละพระสนมกำนันในผู้น่ารักเห็นปานนี้ออกบทนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละถาทองคำหนักประมาณ100ร้อยปะละจำหลักลวดลายเป็นร้อย ออกบวชได้การละทาทองคำเห็นปานี้ออกบวชนั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรกองช้างพลายที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์มีสายรัดทองคำมีเครื่องปกกระพองและข่ายทองคำมีนายควานช้างถือโตมอนและขอขึ้นขี่ประจาที่เคยขี่ติดตามเราจะไม่ติดตามเราความดมรินั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรนอ เมื่อไรกองม้าสินทบชาติอาชาในที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์เป็นพาณะเร็วมีนายสารธีถือแซ่และธนูขึ้นขี่ประจำที่เคยติดตามเราจากไม่ติดตามเราความดำรินั้นจากสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรกองรถที่ติดเครื่องรบชักธงชัยเฉลิมพลประจำคุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์ มีนายสารธีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำที่เคยติดตามเราจากไม่ติดตามเราความดำรินั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรรถทองคําที่ติดเครื่องรบชักธงชัยเฉลิมพลประจำหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์มีนายสารธีสวมเกราะถือธนูขึ้นขับขี่ประจำที่เคยติดตามเราจากไม่ติดตามเรา ความดั่งเนั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรรถเงินที่ติดเครื่องรบ ช, งชักธงชายเฉลิมพลประจำคุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์มีนายสารธีสวมเกราะเถือธนูขึ้นขับขี่ประจำที่เคยติดตามเราจากไม่ติดตามเราความดํารินั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรรถม้าที่ติดเครื่องรบ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 มีนายสรารถีสวมเกราะเถือธนูขึ้นขับขี่ประจำที่เคยติดตามเราจักไม่ติดตามเราความดํมิตนั้นจักสาเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรรถเทียมด้วยโคที่ติดเครื่องรบชักธงชัยเฉลิมพลประจำหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์มีนายสรารถีสวมเกราะเถือธนูขึ้นขับขี่ประจำที่เคยติดตามเราจักไม่ติดตามเรา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 ชักธงชัยเฉลิมพลประจำคุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่อง อ, อาลังการพร้อมศัพท์มีนายสรถีสวมเคราะถือธนูขึ้นขับขี่ประจำที่เคยติดตามเราจากไม่ติดตามเรา <shading> ความดำรินั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรรถเทียมด้วยเนื้อที่ติดเครื่องรบง ช, ชักธงชัยเฉลิมพลประจำคุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอาลังการพร้อมศัพท์ มีนายสารธีสวมเกราะถือธนูขึ้นขับขี่ประจำที่เคยติดตามเราจักไม่ติดตามเราความดำรินั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรกองช้างที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์สวมเกราะสีเขียวแกล้วกล้าถือโตมอนและขอเงาที่เคยติดตามเราจักไม่ติดตามเราความดำรินั้นจะสาเร็จได้เมื่อไรนอ เมื so like ่อไรกองมาที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์สวมเกราะสีเขียวแกล้ากล้าถือแท้และธนูที่เคยติดตามเราจากไม่ติดตามเราความดำรินั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนาเมื่อไรกองรถที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์สวมเกราะสีเขียวแกล้ากล้าถือธนูและแร้งที่เคยติดตามเราจากไม่ติดตามเรา ความดำรินั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรกองธนูที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสั์สวมเกราะสีเขียวแกล้วกล้าถือธนูและแรง้งที่เคยติดตามเราจักไม่ติดตามเราความดำรินั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรนอเมื่อไรผู้ราชบุตรผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสั์สวมเกราะอันวิจิตแกล้วกล้าเนบกิตทองคา ที่เคยติดตามเราจะไม่ติดตามเราความดำรินั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรหมูพราหมผู้มีพรสประดับแล้วทาตัวด้วยจุนจันเหลืองใช้ผ้าเนื้อดีจากแควนกาสีที่เคยติดตามเราจะไม่ติดตามเราความดำรินั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเ ม, มื่อไรหมูอัมหมายผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพทสวมเกราะสีเหลืองแกล้า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 ความด âm ฤนั้นจกสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะทรงผ้าสังฆาติที่ทําด้วยผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งไว้ที่ขนทางใหญ่ความด âm ฤทนั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเมื่อมีฝนตกพ ร, รมตลอดเจวันเราจึงมีจีวรเปียกชุ่มเที่ยวไปบินธบาตความด âm ฤทนั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะได้เที่ยวจาริกไปตามต้นไม้น้อยใหญ่ ตามป่าน้อยใหญ่ตลอดทั้งคืนและวันโดยไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังความดำรินั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละความกลัวและความคลาดเสียได้ไปที่ซอกเขาและลำธารได้ตามลำพังความดำรินั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะทำจิตให้ตรงได้เหมือนคนดีดพินดีดพินทั้งเจ็ดสายให้มีเสียงน่ารื่นรมจับใจ ความดำรินั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะตัดกามสังโยช์ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้เหมือนช่างหนังตัดรองเท้าโดยรอบเมื่อพระมหาชนกทรงรำพึงอย่างนี้แล้วทรงถือเพชรบรรพชาเสด็จลงจากปราสาทไปพระผู้มีพระภาคตรัสถึงเสียงคค่้มครวญของสตรีเหล่านั้นว่าพระสนมกานันในเจ็ดร้อยนางนั้น ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์ต่างประคองแขนทั้งสอ ง, งคร่ำครวญว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงละทิ้งพวกหม่อมฉันพระสนมกำนันในเจ็ดร้อยนางนั้นผู้ละมุนละไมโสดสองต่างพากันประคองแขนทั้งสองร้องคร่ำครวนว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงละทิ้งพวกหม่อมฉันพระสนมกำนันในเจ็ดร้อยนางนั้นล้วนเป็นผู้เชื่อฟังเจรจาไพเราะน่ารัก ต่างพากันประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญว่าเพราะเหตุใรพระองค์จึงทรงละทิ้งพวกม่อมฉันเสียพระสนมกำนันในเจ็ดร้อนางนั้นประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพถูกพระราชาทรงละทิ้งไว้แล้วเสด็จดำเนินไปมุ่งพโนวดพระราชาทรงละพระสนมกำนันในเจ็ดร้อยนางผู้ละมุนละไมสะโสดสงเสด็จดำเนินไปมุ่งผนวด พระราชาทรงละพระสนมกำนันในเจ็ดร้อยนางนั้นล้วนแต่เป็นผู้เชื่อฟังเจรจาไพเราะน่ารักเสด็จดำเนินไปมุ่งผนวดทรงละถาทองคำหนักประมาณ100ร้อยปะละจำหลักลวดลายตั้งร้อยทรงอุ้มบาดดินนั้นเป็นการอภิเศกครั้งที่สองพระนางศีวลีกราบทูลพระโพธิสัตว์ว่าเปเลวไฟน่ากลัวไม่ท้องพระคลังตามลาดับ คือเงินทองแก้วมุกดาแก้วไพยทูลมากมายแก้วมณีสังแก้วมุกดาผ้าจันเหลืองหนังสัตว์เครื่องงาช้างทองแดงและเหล็กเป็นอันมากที่ไฟไหม้ข้าแต่พระราชามาเถอพระเจ้าค่ะเชิญพระองค์เสด็จกลับก่อนเถิดพระราชทรัพย์ของพระองค์อย่าได้พินณาเสียหายเลยพระโพธิสัตว์ตรัสว่า เราผู้ไม่มีความกังวลอยู่เป็นสุขสบายดีหนอะเมื่อกรุงมิทิลาถูกเพลิงเผาพล้านเรามิได้มีอะไรจะไหม้พระนางสีวลีกลาบทูลว่าพวกโจรป่ากเกิดขึ้นปล้นแค้นของพระองค์มาเถิดพระเจ้าค่ะขอเชิญพระองค์เสด็จกลับเถิดแคว้นนี้ย่าได้พิ่น้าเสียหายเลยพระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราผู้ไม่มีความกังวลอยู่เป็นสุขสบายดีหนอ เมื่อแคว้นถูกพวกโจรปล้นเราไม่ได้มีอะไรจะให้ปล้นเลยเราผู้ไม่มีความกังวลอยู่เป็นสุขสบายดีหนอเราจากมีปิติเป็นอาหารเหมือนเหล่าเทพชั้นอภัสระพรหมนารธดาบทกล่าวว่าเสียงอึกทึกกึกก้องอะไรกันนั่นใครกันนอเล่นกันเหมือนอยู่ในบ้านท่านสมณนะอาตมาภาพขอถามมหาชนนั้นติดตามท่านมาเพื่อประโยชน์อะไร พระโพธิสัตว์ตรัสว่ามหาชนนี้ติดตามข้าพเจ้าผู้ละทิ้งพวกเขามาในที่นี้ผู้ล่วงเขตแดนคือกิเลสไปเพื่อบรรลุถึงโมนยธรรมคือยางของพระมูนีแต่ยังเจือปนด้วยความเพลิดเพลินทั้งหลายอยู่พระคุณเจ้าก็รู้อยู่จะถามไปทำไมนารทาดาบอกกล่าวว่าพระองค์เพียงแต่ทรงสรีระเพศนักบวชนี้อย่าได้เข้าพระไถวว่า เราข้ามเขตแดนคือกิเลตแล้วกรรมคือกิเลตนี้จะพึงข้ามได้ด้วยเพศแห่งบันปะชิตก็หาไม่เพราะอันตรายทั้งหลายยังมีอยู่มากพระโพธิสัตว์ตรัสว่าอันตรายอะไรหนอจะพึงมีแก่ข้าพเจ้าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ปราถนาการมทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนารทดาวโบตกล่าวว่า อันตรายเป็นอันมากทีเดียวคือความหลับความเขียดคร้านความบิด ก, กายความเหนื่อยหน่ายความเมาอาหารที่มีอยู่ในศุริระของพระองค์พระโพธิสัตว์ตรัสว่าท่านพราหมณ์ท่านพร่ำสอนข้าพเจ้าดีหนอท่านพราหมณ์ผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าขอถามท่านท่านเป็นใครหนอนารทาดาบอกกล่าวว่าชนทั้งหลายรู้จักอาตมภาพโดยชื่อว่านารทะ โดยโคดว่ากัสปะอาตมาภาพมาในสำนักของพระองค์ด้วยเข้าใจว่าการสมาคมกับสัพปรุตเป็นการดีขอความเพลิดเพลินและวิหารธรรมทั้งปวงจงมีแก่พระองค์เท่านั้นพระองค์จงบำเพ็ญสิ่งที่ปกพร่องให้บริบูรณ์เถิดจงประกอบด้วยความอดทนและความสงบเถิดจงทรงคลี่คลายความยุบลงและฟูขึ้นจงสั ก, กระกรรมวิชาธรรม และสมณธรรมแล้วบำเพ็ญพรหมจรรย์เถิดข้าแต่พระชนกพระองค์ทรงละทิ้งช้างมา้าชาวพระนครและชนบทเป็นอันมากเสด็จออกพนวดทรงยินดีในบาดดินชาวชนบทมิตรอมมาศและพระญาติเหล่านั้นได้ทำความผิดอะไรให้แก่พระองค์หรือหนอเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงชอบพระไทยบาดดินนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสว่าท่านฤาษี ข้าพเจ้ามิได้เคยเอาชนะพระญาติอะไรๆโดยส่วนเดียวนในการไหนๆโดยอาธรรมเลยแม้พระญาติทั้งหลายก็มิเคยได้เอาชนะข้าพเจ้าโดยอธรรมข้าพเจ้าได้เห็นประเพณีของโลกเห็นโลกถูกกิเลสกัดกรนถูกกิเลสทําให้เป็นดุจเปลือกต้มจึงได้ทำเหตุนี้ให้เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าผู้ทุชนจมอยู่ในกิเลสวัตถุใดสัตว์เป็นจานวนมากย่อมเดือดร้อน และย่อมถูกฆ่าในกิเลสวัตถุนั้นดังนี้แล้วจึงได้บวชเป็นภิกษุณท่านผู้ครองหนังสัตว์ผู้เจริญนารทดาบทกล่าวว่าใครหนอเป็นผู้จำแนกแจกทำคำสั่งสอนพระองค์คำอันสะอาดนี้เป็นคำของใครท่านผู้เป็นจอมทัพเพราะบอกเจาะจงถึงดาบทผู้เป็นกรรมวายทีหรือสมณะคือพระประเจกะพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยวิชา นักปราดไม่เรียกผู้ประพฤติวัดว่าเป็นสมณะเหมือนการก้าวล่วงทุกข์ได้เลยท่านผู้ครองหนังสัตว์แม้ข้าพเจ้าจะสักการะสมณะหรือพราหมณ์โดยส่วนเดียวแต่ไม่เคยเข้าไปใกล้ไต่ถามอะไรอะไรในการไหนๆเลยพระโพธิสัตว์ตรัสว่าข้าพเจ้ารุ่งเรืองด้วยสิริไปยังพระราชอุทยานด้วยอนุภาพใหญ่ขณะที่เพลงขับที่เขาขับร้อง ดนตรีที่ไพเราะกําลังบรนเลงอยู่ข้าพเจ้านั้นได้เห็นต้นมะม่วงที่กําลังมีผลอยู่ภายนอกกําแพงถูกพวกมนุษย์ผู้ที่ต้องการผลฟาดอยู่ในพระราชอุทยานอันกึกก้องด้วยการประคมดนตรีประกอบด้วยคนขับและคนประโคมข้าแต่ท่านผู้ครองหนังสัตว์ข้าพเจ้านั้นละทิ้งสิรินั่นเสียแล้วลงจากยานเข้าไปใกล้ต้นมะม่วงทั้งที่มีผลและไม่มีผล ข้าพเจ้าได้เห็นต้นมะม่วงอันมีผลถูกฟาดกระจกระจายย่อยยับส่วนมะม่วงอีกต้นหนึ่งสีเขียวเฉวมน่าพอใจศัตรูทั้งหลายจะ ก, กำจัดแม้พวกเราผู้เป็นอิสระผู้มีเสี่ยนหนามมากเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลถูกมนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนแล้วเสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาคนมีทรัพย์ถูกฆ่าเพราะทัพย์ ใครเล่าจากฆ่าคนที่ไม่มีที่อยู่ที่ไม่มีความคุ้นเคยต้นมะม่วงที่มีผลและไม่มีผลทั้งสองต้นนั้นเป็นครูของข้าพเจ้าพระนางศิเวลีกราบทูลว่าชนทั้งปวงคือกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถกองพลราบต่างก็ตกใจว่าพระราชาทรงผนวดเสร็จแล้วขอพระองค์ได้ทรงปลอบชุมชนให้เบาใจทรงวางหลักปกครอง ทรงอภิเษกพระราชโอรสไว้ในราชสมบัติแล้วจึงจากทรงผนวตในภายหลังพระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราได้สละชาวชนบทมิตรอมาตและพระญาทั้งหลายแล้วพระราชโอรสของชาวแคว้นวิเทหะและคนผู้มีอายุยืนผู้จากพดงรัฐให้เจริญก็มีอยู่เธอเหล่านั้นจะครองราชสมบัติในกรุงมิถิลาณประชาบดีจงมาเถิด เราจะตามสอนเธอด้วยวาจาที่ชอบเธอจะไปสู่ทุกขติด้วยกายวาจาและใจเพราะบาปใดเมื่อเธอครองราชสมบัติก็จะทําบาปทุจริตนั้นเป็นอันมากผู้ที่ยังอัตภาพไม่เป็นไปด้วยก้อนข้าวที่ผู้อื่นให้ซึ่งสำเร็จมาแต่ผู้อื่นนี้นั่นเป็นธรรมของนักปราชพระนางศรีวลีกลาบโทนว่าคุรบุตรผู้ฉลาดแม้คนใดไม่พึงบริโภคอาหารในพัตการที่สี่ จะพึงตายอย่างน่าอานาเพราะความหิวกุลบุตรผู้ฉลาดนั้นก็ไม่พึงบริโภคก้อนข้าวที่เปื้อนฝุน่นซึ่งไม่ดีมิใช่หรื อ, อยุริยาของพระองค์นี้ไม่ดีไม่งามเลยข้าแต่พระชนกพระองค์พึงสวยก้อนเนื้อที่เป็นเดนสุนักพระโพธิสัตว์ตรัสว่าพระนางศีวลีบินทบาทใดเป็นของอันบุคคลผู้ครองเรือนหรือสุนัขสละแล้วบินทบาทนั้นชื่อว่า ไม่เป็นอาหารของอัตมาภาพก็หาไม่ได้ของบริโภคเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ได้มาโดยธรรมของบริโภคทั้งหมดนั้นกล่าวกันว่าไม่มีโทษพระโพธิสัตว์ตรัสกับเด็กหญิงว่าปูมาริกาผู้นอนแนบมารดาผู้ประดับอยู่เป็นนิดเพราะเหตุใรกําไลมือข้างหนึ่งของเธอจึงมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงดังเด็กหญิงกราบทูลว่าท่านสมณนะ กำไรมือสองวงที่สวมอยู่ที่ข้อมือของดิฉันนี้เพราะทั้งสองวงกระทบกันจึงเกิดเสียงดังคติของคนสองคนก็เป็นเช่นนี้ท่านสมณะกำไรมือวงหนึ่งที่สวมอยู่ที่ข้อมือของดิฉันนี้ไม่มีอันที่สองจึงไม่มีเสียงดังเหมือนมูนีสงบนิ่งอยู่คนมีคู่จึงถึงความวิวาทกันบุคคลคนเดียวจะวิวาทกับใคร ท่านนั้นเป็นผู้ปรารถนาสวรรค์ก็ขอจงชอบความเป็นผู้เดียวเถิดพระโพธิสัตว์ต ร, รัสกับพระนางศีวลีว่าพระนางศีวลีเธอได้ยินคาถาที่นางกุมาริกากล่าวแล้วหรือนางกุมาริกาเป็นสาวใช้มาติเตียนเรามันเป็นคติของคนคู่เท่านั้นพระนางผู้เจริญทางสองแพร่งนี้เราทั้งสองผู้เดินทางได้สัญจรมาแล้ว บรรดาทางทั้งสองแพร่งนั้นเธอจงเลือกเอาทางหนึ่งอัตมาภาพก็จะเลือกเอาอีกทางหนึ่งเธออย่าเรียกอัตมาภาพว่าเป็นพระสวามีของเธอและอัตมาภาพก็จะไม่เรียกถือว่าเป็นพระมเหสีของอัตมาภาพต่อไปเมื่อกษัตริย์ทั้งสองตรัสข้อความนี้แล้วต่างก็เสด็จเข้าไปยังถูนันครเมื่อจวนเวลาอาหารพระโพธิสัตว์ประทับอยู่นซุ้มประตูของช่างสอน และณที่นั้นช่างสอนนั้นหลับตาลงข้างหนึ่งเล็งดูลูกสอนที่คดซึ่งตนดัดให้ตรงด้วยตาอีกข้างหนึ่งพระโพธิสัตว์ตรัสว่าช่างสอนท่านจงฟังอัตมภาพท่านเห็นความสําเร็จประโยชน์หรือนอที่ท่านหลับตาข้างหนึ่งลงเล็งดูลูกสอนที่คดด้วยตาอีกข้างหนึ่งช่างสอนกราบทูลว่าท่านสมณนะ การเล็งดูด้วยตาทั้งสองย่อมปรากฏกกว้างไปเพราะเห็นไม่ถึงส่วนที่คดข้างหนึ่งการดัดให้ตรงจึงไม่สำเร็จแต่เมื่อหลับตาข้างหนึ่งเล็งดูส่วนที่คดด้วยตาข้างหนึ่งเพราะเห็นส่วนที่คดข้างหน้าการดัดให้ตรงจึงสำเร็จได้คนที่มีคู่จึงวิวาดกันคนเดียวจะวิวาดกับใครท่านนั้นปราถนาสวรรค์ก็ขอจงชอบความเป็นผู้เดียวเถิด พระโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางศีวลีว่าพระนางศีวลีเธอได้ยินคําที่ช่างสอนกล่าวแล้วหรือยังคนใช้มาติเตียนเรานั้นเป็นคติของคนคู่เท่านั้นพระนางผู้เจริญทางสองแพร่งนี้เราทั้งสองผู้เดินทางได้สัญจรมาแล้วบรรดาทางสองแพร่งนั้นเธอจงเลือกเอาทางหนึ่งอาตมาภาพก็จะเลือกเอาอีกทางหนึ่ง เธออย่าเรียกอัตมภาพว่าเป็นพระสวามีของเธอและอัตมภาพก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นพระมเหสีของอัตมภาพต่อไปหญ่ามงกระต่ายเล็กน้อยขาดไปแล้วเธอจงอยู่คนเดียวเถิดพระนางศรีวลีมหาชนกกะชาดกที่สองจบ